ก็เราเราก็ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นเมื่อเมื่อกำหนดดูอาการ32ภายในตนแล้วก็จะก็จะใส่ใจไปที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านและใส่ใจไปที่กโลกศีระด้านหลังอะค่ะ So when you see the scar of a person sitting in front of you that time pay attention it is wide wide wide until the scar disappear just remain the circle of the white white circle ก็ให้ท่านให้ท่านดูกระโลกศีรษะด้านหลังของผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งข้างหน้าท่านซึ่งท่านจะเห็นเป็นสีขาวแล้วก็ให้ท่านให้ท่านบริกรรมว่าขาวขาวขาวขาวขาวจนกระทั่งบริกรรมบริกรรมนี้ไต่ทัน มาปรากฏเป็นเป็นแต่เพียงวงวงสีขาวอะค่ะมาปรากฏในใจของท่านเป็นวงสีขาว At t h t i m e you need to maintain focusing on the white circle n i t is become stable and strong และเมื่อถึงตอนนั้นท่านจาเป็นที่จะต้องใส่ใจที่วงสีขาวนั้นจนกว่าวงสีขาวนั้นจะ จะมั่นคงและก็มีกําลังค่ะ When it is stable and strong, at t h e t i m e you can expand it one i n s more, two inches more, three inches more, one feet more in this way. แล้วเมื่องกระสิงสีขาวนั้นมั่นคงและมีกําลังดีแล้วท่านขั้นต่อไปท่าน จะต้องขยายวงกสินนั้นโดยต้องกำหนดกำหนดวงกหนดระยะที่จะขยายก่อนอย่างเช่นกำหนดระยะว่าจะขยายหนึ่งนิ้วแล้วท่านก็ขยายวงกสินนั้นเพิ่มหนึ่งนิ้วแล้วก็กำหนดระยะว่าจะขยายสองนิ้วแล้วท่านก็ขยายวงกสินสองนิ้วกำหนดระยะค่อยๆกำหนดระยะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆตามนั้นเป็นยางกระทั่งทาได้ สิบนิ้วหนึ่งฟุตหรือว่ามากกว่านั้นโดยต้องกำหนดระยะก่อนที่จะขยายทุกครั้งค่ะ sometime why you are expanding the why c a s i n a it shakes a little bit at that time you should not expand more you should make it stable you should make it stable what you have expanded only when it is stable you should expand again to all ten directions และเมื่อเมื่อใดก็ตามที่วงกระสินสีขาวนั้นมีการสั่นเกิดขึ้นก็คือหวั่นไหวนะคะแสดงว่าตรงในเวลานั้นท่านควรจะหยุดการขยายแล้วก็ให้จดจอ่อให้ใส่ใจไปที่วงกระสินนั้นเพียงอย่างเดียวยังไม่ต้องขยายต่อจนกว่าวงกสินนั้นจะจะมั่นคงแล้วก็มีกาลัง จึงท่านจึงจะกำหนดขนาดที่จะขยายแล้วก็ค่อยๆขยายต่อไปกำหนดขนาดแล้วขยายกำหนดขนาดแล้วขยายทาอย่างนี้จนกระทั่งท่านสามารถขยายเบงกสินไปได้ทั่วทิศทั้งสิบค่ะ but those who have practiced white k s i n a in their past after they see the white saga from the sky It expands to all direction, all ten directions very quickly by itself. It is also good. สําหรับท่านที่ได้ o has a ก t a i ส e d the า h i t e color since a ต c i e n t t i ่ e s when he saw ่ h e white color of t ง e ล a r u d a s when he saw the Garudas, when he s a น the Garudas, when he saw the g d องคารนี้มีของท่านจะสามารถที่จะขยายไปได้ตลอดที่ถึ้งสิบโดยอตัตโนมัติโดยรวดเร็วอค่ะอันนี้ก็ดีมากค่ะ So after it after you have expanded to all ten directions by yourself or if it expands by itself to all ten directions at that time you need to pay attention to one place และหลังจากที่ท่านได้กำหนดขยายด้วยตัวเองก็ตามหรือว่า วงกะสินได้ขยายโดยอัตโนมัติก็ตามในไปในตลอดที่ท่งสิบแล้วเมื่อถึงตอนนี้ท่านสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือให้ท่านวางจิตไว้เพียงหนึ่งจุดของที่วงกะสินนั้นค่ะ So when you can maintain focusing on the c a s i n a at one point or one place you can attain first jhana และเมื่อท่านสามารถที่จะวางจิตของท่านไว้ที่เพียงจุดเดียวของในในในกสินนั้นได้นานจนกระทั่งนานเพียงพอท่านก็จะได้บรรลุถึงปฐมฌานค่ะ Those who have practice an Anapana up to f i r t Jhana when they start practice v i p a s s i n a First Jhana at that time I asked them which one is better kasina is better they say สหรับท่านที่ได้เจริญอานาปานะจนถึงฌานสีมาก่อนและได้มาเจริญกสินสีขาวปฐมฌานเมื่อเมื่อบุคคลท่านนั้นได้บรรลุปฐมฌานของกสินสีขาวแล้วพระอาจารย์เวตาได้ถามประสบการณ์ของบุคคลท่านนั้นว่าท่านท่าน อันไหนดีกว่าระหว่างอนาปานะกับกระสินสีขาวท่านนั้นจะบอกว่ากสินสีขาวดีกว่าค่ะผู้ปฏิบัติทรรมทุกคนจะบอกตรงกันค่ะว่ากสินสีขาวดีกว่าอนาปานะค่ะเมื่อ ท่านได้บรรลุปฐมฌานของกสินสีขาวแล้วท่านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องฝึกวัสีของปฐมฌานโดยการใส่ใจที่ปฏิภาคนี้มิตรเป็นเวลาติดต่อกันสามชั่วโมงค่ะในบัลลังก์นั้นนะคะ so before practicing the masteries they need to understand what is bhavana they need to understand what are the five jhana factors ก่อนที่จะฝึกวัสีของปฐมฌานเขาผู้ปฏิบัติธรรมจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าบวังคืออะไรและก็องฌานหาคืออะไรบ้าง So if they could maintain or if they could enter absorption concentration for two hours or three hours at that time, they are instructed to descend the b a a n g a เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะใส่ใจที่ปฏิภาคนิมิตได้เป็นเวลาติดต่อต่อเนื่องกันสองหรือว่าสามชั่วโมงพระอาจารย์ก็จะแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นใส่ใจไปที่ผวังค่ะ after focusing on the kasina for one hour at that time if the concentration and nimitta is strong So they are instructed to pay attention where the heart situates. To pay attention, b a w a n g o t t h e r e Just to pay, look at it for a moment, two, three seconds only. Ah, ก็คือพระอาจารย์จะแนะนําว่าในบรลังถัดไปให้ท่านใส่ใจไปที่กสินปฏิภาคนิมิตเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจนจนนิมิตสองแสง จดจ้ามากจากนั้นให้ท่านใส่ใจไปที่ที่ในหัวใจข้างในหัวข้างในหัวใจเพื่อที่จะดูรวังแต่ว่าให้ท่านใส่ใจไปเพียงเวลาเพียงประเดี๋ยวเดียวคือไม่เกินสองหรือ3าวินาทีเท่านั้นนะคะ So if y e or she could enter for three hours, he or she can descend Bawanga three times, once every one hour. ดังนั้นถ้าเผื่อว่าในในบันันนลังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นนั่งสามชั่วโมงดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นก็สามารถที่จะกำหนดดูพวังผวังได้สครั้งโดยโดยที่กำหนดดูเพียง1่ชั่วโมงต่อ1่งครั้งแค่ 2- อสาวินาทีแล้วก็กลับไปดูที่ ปฏิภาคนิมิตใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาดูที่ภวังไม่เกิน 2- อสวินาทีแล้วก็กลับไปดูที่ปฏิภาคนิมิตใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงทําอย่างนี้ก็จะดิสจะกําหนดดูผวังได้สครั้งค่ะ initially some they don't see they don't understand ในซึ่งในช่วงในช่วงเริ่มแรกผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็ ไม่สามารถที่จะเห็นผวังได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าผวังคืออะไรค่ะ whether they see whether they don't see doesn't matter i i n s t r u c t them instructed them just to look at them look at it for a few seconds only ซึ่งไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะสามารถเห็นผวังได้หรือว่าเห็นผวังไม่ได้พระอาจารย์ก็จะพระอาจารย์โรเบิรตจะแนะนําให้เขาว่า เมื่อทุกๆเมื่อดูปฏิภาคนิมิตได้ครบหนึ่งชั่วโมงก็ให้ใส่ใจไปที่ในในหัวใจเพียงสองสามนาทีแล้วก็กลับมาดูให้ทำอย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะให้ให้ดูเพียงประเดี๋ยวเดียวแค่ไม่เกินไม่เกินสองหรือสามนาทีแล้วก็กลับมาที่ปฏิภาคนิมิตอีกทำอย่างเนี้ยทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะบ่าวังกะ พวังก็คือมโนทวารค่ะ where the mentality arises ซึ่งเป็นมโนทวารเป็นที่ที่งานมาธรรมาเกิดขึ้นค่ะ finally they understand they see which is very bright และในที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถเห็นพวังได้ซึ่ง ปวังน <te le> ั <se al> a, ina, ita, <te le> ้นส่องแสงเจิดจ้ามากค่ะถ้าพวกเขาเห็นปว t งกาในเวลานั้นเ e าได้สอนพวกเขาให้เห็นวายเกษนานิมิตาในปวังกาเมื่อเขาสามารถเห็นภวังได้แล้วพระอาจารย์ก็จะแนะนําให้เขาได้มองให้มองให้เห็นปฏิภาคนิมิตของเกสินสีขาวอยู่ในภวังค่ะปรากฏในภวัง The venerable Sariputra ให้ดิสน mentality why could he descend? it is explained in the commentary because he descend base and object together because of this reason can d i s c e n the mentality พระตามที่พระสารีบุตรเถระได้ได้ทำอนุปาัคือว่ากำหนดดูกำหนดดู นางมาทำทีละหนึ่งทีละหนึ่งในอนุปาทัสูตรนะคะก็ที่ทํานทำได้สามารถทําได้เช่นนั้นก็เพราะว่าท่านได้กําหนดดูวัตถุและอารมณ์พร้อมกันค่ะ Because of this reason meditators are instructed to discern base and object in time of entering w i t a s i n a jhana concentration object is kasina Base is bawanga. b h a okay? v bawanga arises based on h a r t base d materiality. But at that time, we need to see the object that appear in the bawanga. Only at that time, v e d e t a t o r s can descend the j h a n a factors. Due due to the c ด u s <laughs> e as the Buddha was ด b l e to determine, he had to d e t e r m i n the mood and the o ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงได้รับการชี้แนะให้เขากาหนดกาหนดให้เห็นปฏิภาคนิมิตของกสิณสีขาวที่ปรากฏในมนโนทวาลก็คือผวังปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์และผวังคือเป็นเป็นวัตถุในที่นี้เป็นวัตถุเพราะว่าเป็นทวานโดยที่ผวังเนี่ยเองอาศัยเกิดจากฮัทยาวัตถุค่ะและ เมื่อผู้ปิบัติรรมสามารถทําได้ดังนี้ผู้ปฏิบัติรรมจริงจะสามารถที่จะกําหนดดูองค์ชา5ของประถมชาญในพวังค่ะ Every 45 minutes of one hour, the time, concentration and n i m i t t a is strong. When the n i m i t t a appear in t h e b h a v a n g a they are instructed to d i s c e r n the five c h a n a factors one by one. และทุกๆ45นาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเกมที่จะดูก็คือเมื่อแสงแห่งปฏิภาคนี้เมิดมนี้มีกำลังแรงสว่างเ จ, จิดจ้าก็จะได้รับการแนะนำให้ใส่ใจไปที่ในในหัวใจเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูเพื่อที่จะกาหนดดูองคชาะคะแต่ว่าให้ดูทีละหนึ่งเท่านั้นก็คือเริ่มเริ่มดูจากวิตร ก, กะ ดูดูให้เห็นจัภาวะลักษณะของวิตกะขอโทษค่ะภาษาไทเรียกว่าวิตตกก็คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะดูจนขอโทษค่ะ So when they descend the jhana factors the first one is vitaka application applying the mind on the petit bhaga nimitta it is called vitaka การกําหนดโดยวิตกะก็คือสภาวะลักษณะของวิตกะคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในที่นี้เราเราจะต้องเห็นการยกจิตขึ้นสู่อกระสินปฏิภาคนิ ม, มิตของกสินสีขาวค่ะโดยให้เห็นลักษณะสภาวะลักษณะนี้ที่ปรากฏในภาวาังคือในภาวังค่ะคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นี่คือโดยให้เห็น จนเราเข้าใจว่านี่คือวิตกค่ะ So I I want to make all of you understand more. When you practice Anapana meditation, don't you need to apply your mind on the inbreath and outbreath? พระอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับวิตกใหม่นะคะอย่างเช่นในขณะนี้ที่ท่านตั้งยาได้ กำลังปฏิบัติอานาปานสติท่านท่านท่านต้องยกจิตของท่านขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานก็คือลมหายใจแลือเปล่าคะ without without application mind you cannot focus on the object ถ้าไม่มีวิตร์ถ้าไม่มีวิตตกก็คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ท่านก็จะไม่สามารถที่จะใส่ใจไปที่ ลมหายใจได้อ่ะค่ะ You understand you apply your mind here on the breath but that application mind arises in your b a v a n g a its original place is here that's why you need to discern that application mind in your b a v a n g a ยกตัวอย่างเช่นอารมณ์คืออนาปานสติก็คือลมหายใจเมื่อท่านยกจิต ขึ้นสู่ขึ้นดูลมนะคะอาการนั้นก็คือการยกจิตขึ้นดูลมหายใจเนี่ยแม้ว่าท่านจะยกจิตขึ้นดูลมที่นี่แต่ว่าอาการของวิตกเนี่ยปรากฏที่ผวังค่ะ Because they understand very clearly, they are applying them, their m they mind on the object here. It is not correct. ผู้ปฏิบัติธรรบางท่านเขาเข้าใจผิดว่าวิตกวิตกเนี่ยเกิดขึ้นที่ที่ลมหายใจที่บริเวณรอบจมูกเนี่ยค่ะแต่ว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดไม่ถูกต้องค่ะ เพราะว่าวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แม้ว่าจะเป็นลมหายใจที่บริเวณหน้ารูจมูกแต่ว่าสภาวะของวิตกเนี่ยเกิดที่ในภวังคือที่มโนทวารค่ะ so when the meditators descend vitaka so they need to do every forty minutes or one hour only when they can descend Well, at that time they should continue second jhana factors. Vichara. Therefore, every forty-five minutes or every hour, when the light of ก e ้าผ a t ปฏิบัต t ท่านน h ้นก a ค t ร t i ใส e ใจไปดูสภาวะ t ารยกจิตขึ้ h e ู่อา e มณ์ห s ือว the mind to emotion or falling, which is in the middle. Do this every hour or e v e แ y f o r t y f i v n u e แก่กจนเขาสามารถเข้าใจสภาวะของวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ปฏิภาคนิมิตเมื่อเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วเขาจึงจะสมควรที่จะไปกำหนดโดองค์ฌานที่สองก็คือวิจารวิจารค่ะคือการไตรตรองอารมณ์ After that need to continue descending ปิติสุขะและเอกกตะนทองเดียวกันเมื่อเมื่อสามารถดูวิจารคือการตรายตองอารมณ์ได้จนชัดเจนดีแล้วทุกๆหนึ่งชั่วโมงจึงจะจึงจะทาปฏิบัติต่อไปก็คือการดูปิติคือความอิบอิ่มในอารมณ์ต่อปฏิภาคนิมิตเมื่อทําได้ดีแล้วชัดเจนดีแล้วจึงจะดูสุขะก็คือสุขเวทนา ตอปฏิภาคนิมิตนะคะเมื่อทำได้ดีแล้วก็คือจึงจะดูเอกคตาคืออารมณ์เป็นหนึ่งเดียวคือจิตเป็นหนึ่งเดียวกับปฏิภาคนิมิตนะคะ after descending five jhana factors one by one s u c c e s s f u l l y meditators need to need to descend five jhana factors together ต่เมื่อท่านมีความสามารถที่จะกำหนดดูององชานได้ทีละหนึ่งองค์จนครบแล้วจนเห็นได้ชัดเจนเป็นที่พอใจแล้วต่อไปในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติก็จะได้รับการชี้แนะให้ดูองชานทั้งห้าองค์พร้อมกันค่ะ so when they can descend five factors together when they chana that five can at time They are instructed to practice masteries, five masteries, but only four, four of them. But เ h e n the p r a c t i c ท่านั้นสามารถที e จะที่จะก i าหนด e n s <laughs> at the s ้ m e time, in one session, all five at the same time, in one session, all five at the นี m e time, in m a s t e i e s five m a s t e i e s t o n l f o f o o f t h e m ก็จะถึงเวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นจะได้ฝึกวสีแต่ว่าไม่ใช่ห้าวสีเป็นแเป็นแค่สี่วสีค่ะ because the last one can be done only when they can practice nama meditation วสีเพราะว่าวสีขั้นสุดท้ายก็คือปัจจเวกขณะวสีคือการทวนคือการทวน ผู้ปฏิบัติจะมีความสามารถที่จะฝึกวัตถนี้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นได้ปฏิบัตินามะกรรมฐานใช่ไหมอยู่ในขั้นอยู่ในระดับของนามะกรรมฐานนะคะท่านจะฝึกวัตีได้โดยวิธีใดนั้นพระอาจารย์บอกว่าต่อเมื่อ ท่านได้บรรลุปฐมฌานแล้วก็สามารถกำหนดดูองค์ฌานได้ทีละหนึ่งองค์จนครบแล้วพระอาจารย์ก็จะสอนท่านว่าจะฝึกวัาสีได้อย่างไรค่ะเมื่อท่านได้บรรลุปฐมฌานของกสิณสีขาวแล้ว พระอาจารย์ก็จะสอนให้ท่านได้บรรลุทุติยชาญค่ะ Also when you can practice p a t i c a l y at that time I will teach you. ต่อเมื่อท่านสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยปฏิบัติได้จริงแล้วพระอาจารย์จึงจะสอนท่านว่าจะฝึกวสีของฌานที่สองได้อย่างไรค่ะ In the second jhana there are only three jhana factors. ปิต <N> ิสุขและเอกัคตาในทุติยฌานจะมีองฌานเพียงสมค่ะคือปิติสุขและเอกัคตาค่ะและ you need to continue that ไวกาสีนัตทั a ฌานา t ินดิตัตฌ there are only two ฌานา factors ขะแล e เและในทางนองเดียวกันเมื่อท่านสำเร็จฌานที่สองแล้วพระอาจารย์ก็จะ สอนท่านว่าจะบรรลุฌานที่สามได้อย่างไรคะเมื่อท่านได้บรรลุฌานที่สามแล้วองฌานจะเหลือแต่เพียงสองคือสุขคือสุขและเอกกตาค่ะ So when you attain four jhana l like i k a sina four jhana the time a s o t e r e w l e two jhana factors upaka and ekakata และเมื่อท่านปฏิบัติจนได้บรรลุจะตุตถาฌานหรือฌานสี่แล้ว อง์ชาญจะเหลือแต่เพียงสองเช่นกันค่ะแต่ว่าเวทนาเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขาเวทนาและเอกกตตาค่ะแล้ว What I want all of you know if you can't discern five จาระ factors you know you, you will not know how to remove one after another to attain higher จาระ that's why discerning five จาระ factors is to understand where Are you attaining? Where you are attaining? In which jhana you are attaining? And how to attain higher jhana, removing respective jhana factors. ดังนั้นแต่เมื่อท่านมีความสามารถที่จะกำหนดดูองชานหาได้แล้วท่านจึงจะสามารถที่จะเจริญฌานที่สูงขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะละ ละองค์ที่หยาบเพื่อที่จะได้บรรลุองค์ที่ละเอียดขึ้นของฌานที่สูงขึ้นแล้วก็ละองค์ที่หยาบเพื่อที่จะได้บรรลุองค์ฌานที่ละเอียดขึ้นของฌานที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปดังนั้นถ้าท่านถ้าท่านไม่สามารถที่จะกําหนดดูองค์ฌานห้าหรือท่านไม่เข้าใจท่านก็จะไม่ไม่มีความสามารถที่จะละองค์ที่หยาบแล้วก็ เพื่อที่จะได้บรรลุองค์ที่ละเอียดขึ้นได้ค่ะเข้าขใจไห <laughs> <laughs> now I t n k m g n a s a r t e n s finished <laughs> if you want to practice Ka l casino now now you can do white casino but you need you you can continue black c a s i n a Yellow kasina and red kasina. It is one-natto, color kasina. This is the first principle. When you can achieve yellow color, you can l e ส r n other c o l o เ s <laughs> For example, green color, which sometimes means c o l o a หรือว่าสีดํานะะแล้วก็กระสินสีเหลืองแล้วก็สินสีแดง so in your body colorful c e p o s i t e parts of your body become very useful for you ในอาการ32ที่ประกอบกันเป็นตัวท่านสีของอาการสีบางสีที่ปรากฏน่นก็เป็น ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่านาไปสู่วิโมกข์ของกสินสีค่ะผมผมของท่านสีดำเมื่อเมื่อท่านดูสีผมของท่านท่านก็จะสามารถที่จะเจรญกสินเนกสิได้ค่ะค่ะเมื่อท่านดูสีผมของท่านท่านก็จะสามารถที่จะเจริญกสิกสิได้ค่ะ If yellow in color, it becomes yellow casina object. N ้ำ bơm ส i Your blood red in color become red casina object. Lực của thanh màu đỏ. Đằng này thanh cũng có t sử dụng này chơi n เราเห็ตากระสินกระสินสีแดงได้ค่ะว t จิตติัสได้ร e บ n ำสั่งให้รับวัต e ุภายในหรือภายนอกวัตถุอื่นใดเช่นดอกไ l ้สีเหลืองดอกไม้สีแดงเสื้อผ้าสีดำดังนั้นวัตถุเหล่านี้จึงเป็นวัตถุที่เห็นได้ ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้รับการแนะนาว่าจะสามารถเลือกอารมณ์ภายในหรือว่าอารมณ์ภายนอกก็ได้เพื่อใช้เป็นเป็นอารมณ์ของกสิณสีอย่างเช่นข้างในก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าสีของอวัยวะต่างๆส่วนข้างนอกก็อย่างเช่นดอกไม้สีเหลืองก็ใช้ใช้เจริญกสิณสีเหลืองหรือว่าดอกไม้สีแดงก็ ใช้เจลิญ็กสินสีแดงหรือว่าหรือว่าผ้าสีน้ำตาลก็ใช้เจลิญ็กสินนีลกสินได้ค่ะ Now we are talking about this k a l a c k s i n a this c a l k s i n a based on 32 parts of the body because of this reason if it is possible we let them take based on 32 parts of the body only if they encounter only when they encounter difficulty with their ด้วยไปพระอาจารย์จะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญกระสินสีจากสีของอวัยวะของในอาการสาบสองเป็นเบื้องแรกก่อนค่ะแต่เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมประสบความยุ่งยากไม่สามารถที่จะเจริญกระสินสีจากอาการ อาการของกายคตาสติพระอาจารย์จึงจะแนะนําให้ผู้ปฏิบัติธรรมเลือกใช้อารมณ์ภายนอกเพื่อที่จะเจริญเกสินสีค่ะ For the liberation, for the liberation, you need to continue vipassana to by d e s c e r n i n g that it form mental factors of the first jhana. Thirty-two mental factors of the second jhana. Thirty-two mental factors of the. Sorry. Thirty-one.